เพื่อศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเสริมสร้างกำลังศรัท ธ, ธาให้มีความแน่วแน่และแก่ก็ขึ้นไปตามลาดับศรัท ธ, ธาในอะไรก็ศรัท ธ, ธาในพระธรรมคำสอน คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองว่าเป็นสวากขาโตภควตาธโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วคือธรรมที่ตัดไว้อย่างถูกต้องแม่นยำตรงตามหลักความเป็นจริงทุกประการพระธรรมคำสอนที่เรา ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราเชื่อนั้นคืออะไรก็ทรงสอนให้ชาวพุทธเราเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าทำบุญจะได้ได้ความสุขความเจริญจะทำบาปจะได้ ความทุกข์ความเสือ่อมโดยหลักการก็คือให้เชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเราทำกรรมอันใดไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญหรือบาปนั้นไปอนี่คือความจริง ความจริงก็คือบุญเป็นของจริงบาปเป็นของจริงไม่ใช่เป็นนิยายไม่ใช่เป็นเรื่องแต่งกันขึ้นมาตามจินานาการแต่เป็นความจริงทำบุญแล้วผลของบุญก็คือสวรรค์ก็เป็นความจริงสวรรค์ชั้นต่างๆทำบาปแล้ว ก็จะได้รับผลของบาปก็คือได้ไปอบายชั้นต่างๆอบายก็มีอยู่สี่ชั้นชั้นที่หนึ่งเรียกว่าเดลฉานชั้นที่สองเรียกว่าเปรตชั้นที่สามเรียกว่าอสุรกายและชั้นที่สี่เรียกว่านารกสิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องจริงเป็นของจริงน่าจะเกิดขึ้นกับพวกเรา <c oughs> ทุกคนตามลำดับต่อไป <c oughs> และสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราตั้งแต่ที่เรายังไม่ตายไป <c oughs> ในขณะที่เรามีร่างกายอยู่ในขณะนี้ใจของเราผู้ที่เป็นผู้กระทำกรรม <c oughs> เป็นผู้ที่จะต้องรับผลของกรรมนี้จะ รับผลทันทีตามการกระทาของตนทันทีถ้าสมมุติตอนนี้ทำบุญกันบุญก็จะยกระดับจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นสู่ชั้นของของสวรรค์ชั้นเทวดาชั้นเทพในทางตรงข้าม ถ้าเราทําบาปเดี๋ยวนี้บาปนี้ก็จะส่งผลขึ้นมาทันทีจะดึงระดับจิตใจของเราให้ต่ําลงจากมนุษย์ให้เป็นเดรฉานไปหรือเป็นเปรเป็นอนรกกายหรือเป็นนรกไปทันทีใจของเรานี้เป็นผู้กระทําบุญเนื้อกระทําบา และเป็นผู้ที่จะรับผลบุญและผลบาปทันทีไม่ใช่ต้องรอให้ร่างกายนี้ตายไปก่อนแล้วถึงจะไปรับผลของบุญของบาปบุญกับบาปนี้เป็นผู้ที่จะทำให้ใจของเรานี้เริ่มกลายไปจากจากการเป็นมนุษย์อยู่ในขณะนี้เวลาที่เรามาเกิดนี้ใจของเราเป็นมนุษย์กัน และพอเราเริ่มทำบุญใจของเราก็จะเริ่มกลายจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาไปและในทางตรงข้ามถ้าเราทำบาปใจของเราก็จะเริ่มกลายเป็นเดรัจฉานหรือเปลดหรืออสูรกายหรือนรกไปมันไม่ได้เป็นแบบทันทีร้อยเปอร์เซ็น์ การกระทําของเราอาจจะค่อยๆเปลี่ยนใจของเราทีละเปอร์เซนต์สองเซก็อยู่ที่มากหรือน้อยของการกระทําของเราทํามากเปอร์เซนต์ก็จะมีมากทําน้อยก็เปอร์เซนต์ที่จะเปลี่ยนจิตใจให้สูงหรือต่ําก็จะมีน้อยแต่ถ้าเราทําบ่อยๆทําอยู่เรื่อยๆ มันก็จะเพิ่มการเปลี่ยนแปลงของจิตใจของเราให้กลายเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามตามการกระทำของของใจใจนี้เป็นผู้กระทำกรร ม, มที่มีอยู่สามทามสามทางสามสามวิธีด้วยกันก็คือ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการายกรรมก็คือการกระทำกรรมทางร่างกายเช่นเราร่างกายของเราไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งอันนี้ก็เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมก็คือการกระทำด้วยด้วยวาจาด้วยด้วยความพูดของเราการพูดของเราเราพูดให้เป็นบุญก็ได้พูดให้เป็นบาปก็ได้นะ มโนกรรมก็คือการกระทำทางใจโดยการใช้ความคิดปรุงแต่ง mm hmm. เช่นวันนี้เราคิดว่าเราจะมาวัด mm hmm. เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาทำบุญทำทาน mm hmm. อันนี้เรียกว่ามโนกรรม mm hmm. และมโนกรรมนี่แหละเป็นผู้ ผู้กระทํากรรมที่แท้จริงส่วนวจีกรรมและกายกรรมนี้เป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นเครื่องมือวาจาและกายนี้เขาไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเขาทําอะไรเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเขาเป็นเพียงเครื่องมือเหมือนกับมีดที่เราใช้ในการเอาไปทําอะไรต่างๆ เราเอามีดไปทําประโยชน์ก็ได้เราเอามีดไปทําร้ายผู้อื่นก็ได้ mm hmm. พอทําแล้วผลที่เกิดจากการใช้มีดนั้นก็จะเกิดขึ้นถ้าเรามีดไปทําร้ายผู้อื mm ่น hmm. เราก็จะต้องถูกจับไปขังคุกขังตารางก็ได้ mm hmm. แน้ผู้ที่ไปติดคุกติดตรางก็คือ mm hmm. ผู้กระทาก็คือร่างกาย แต่มีดนี้ไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลของการกระทํามีดนี้เป็นเพียงเครื่องมือตำรวจเมื่อจับมีดไปขังคุกขังตารางเพราะมีดเป็นผู้ทำให้คนอื่นเสียชีวิตแต่ผู้ที่ใช้มีดนั่นแหละเป็นผู้กระทําผู้ที่ต้องรับโทษก็คือผู้ใช้มีดไม่ใช่มีดอัในใดร่างกายกับวาจาก็เป็นเหมือนเครื่องมือ ของใจใจเป็นผู้ใช้วาจาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการทำบุญหรือทำบาปเพราะฉะนั้นร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปร่างกายไม่ได้ไปขึ้นสวรรค์ร่างกายไม่ได้ลกไม่ได้ตกนรกร่างกายก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เหมือนตอนนี้แต่ผู้ที่เป็น ไปสวรรค์หรือไปเป็นเทพเป็นเทวดาหรือไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานในตอนนี้คือใจ<ม>ผู้ใช้ร่างกายขอให้เราเข้าใจหลักนี้แล้วเราจะได้ไม่สงสัยในเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำเชื่วได้ชั่วเป็นอย่างไร<ม>ผู้ที่ทำคือใจ ผู้ที่ลดรับผลของการกระทำก็คือใจด้วยการเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนสถานภาพของใจซึ่งตอนตอน้นตอนที่มาเกิดในโลกนี้ใจเป็นมนุษย์เต็มร้อยสมบูรณ์เต็มร้อยแต่พอใจเริ่มทำบุญใจก็จะเปลี่ยนสถานภาพตามลำดับของกำลังของบุญให้ขึ้นไป เป็นเทพเป็นอะไรต่างๆที่สูงกว่าระดับของมนุษย์ะถ้าทำบาปใจก็จะเปลี่ยนลงไปในในทางต่าใจก็จะค่อยแปลงจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรสเป็นอสูรกายหรือเป็นนรกไปขึ้นอยู่กับบาปชนิดที่ทำ<ม>การทำบาปนี้มีอยู่สี่ชนิดมือมีทำบาปด้วยความหลง ทำบาเพื่อเลี้ยงชีพที่ <Yeah. S 1> คิดว่า <Yeah. S 1> การเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตนี้ <Yeah. S 1> เป็นของที่จาเป็น <Yeah. S 1> เป็นของที่ต้องทํา <Yeah. S 1> ไม่ถือว่าบาป <Yeah. S 1> อันนี้เป็นความเข้าใจผิดเป็นความหลงเอาความจริงแล้วไม่ว่าจะทําบาปด้วยเหตุผลอันใดก็ตาม <Yeah. S 1> ก็เป็นบาปทั้งนั้น <Yeah. S 1> ทําบาเพราะ ความต้องการเลี้ยงปากเลี้ยงทองเป็นอาชีพ<ม>ก็บาป <c oughs> ผลของการทำบาปด้วยความหลงก็จะไปเป็นเดรัจฉานพอเดรัจฉานเขาก็ทำเขาก็ลเลี้ยงชีพของเขาด้วยการทำบาป<ม>เดรัจฉานนี้เขาต้องอาศัยการทำร้ายผู้สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อย<ม><ม>เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์มาทำแบบเดียวกัน ใจของมนุษย์ก็เริ่มกลายเป็นเดระฉานไปแล้วถ้าทาบาบด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆอันนี้ก็จะเรียกว่าเปรตอันนี้จะเป็นดวงวิญญาณใจคือดวงวิญญาณถึงแม้ร่างยังมีร่างกายของมนุษย์อย네 um> well, ู่แต่ใจหรือดวงวิญญาณนี้เป็นเปรตเริ่มเป็นเปรตแล้วสังเกตดูคนที่ ทำไรแล้วโลภโลภมากมากแล้วโลภด้วยการกระทำบาปโลภ บ, บาปโลภด้วยทำบาปด้วยความโลภเช่นฆ่าสัตว์หรือก็ดีรักทรัพย์ของผู้อื่นก็ดีปพฤติผิดประเพณีก็ดีถ้าทําด้วยความโลภใจก็จะเป็นเปรยขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยถ้าทําบาปด้วยความกลัวใจก็จะเป็นอสุรกาย เป็นจิตใจที่มีแต่ความหวาดกลัวหวาดกลัวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กลัวว่าจะมาทำร้ายทำลายตนก็เลยต้องคอยกาจัดสิ่งต่างๆที่ตัวเองหวาดกลัวเวลาเวลาเจอเช่นเวลาเจอสัตว์ร้ายเจอแมเจองูนี่ก็ต้องทุบตีงูข่า ง, งู ท, ทันทีถ้าทำได้อันนี้คือเรื่องของบาป ที่ทำด้วยความกลัวเรื่องของบาปที่ทำด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมอันนี้จะทำให้ใจเป็นนรกนรกก็คือใจที่ร่วมล้อนด้วยไฟแห่งนรกเอาผ่านจิตใจสังเกตดูเวลาโกรธใครเกลียดใครอยากจะทำร้ายเขา อ, อยากจะล้างแค้นนี้ ใจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายอันนี้เกิดจากความมาคาาปียบาปอันนี้คือสภาพของจิตใจที่จะเปลี่ยนไปตาม <c oughs> การกระทาคือบุญหรือบาสนั่งกายไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปร่างกายเป็นเหมือนเดิมทําบุญร่างกายก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ ทำบาป่างกายก็ยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ผู้ที่เปลี่ยนไปนั้นคือใจใจไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วดังที่มีธรรมะที่ทรงตัดไว้ว่าคนเหล่านี้มีร่างกายเหมือนกันแต่จิตใจของเหล่านี้ไม่เหมือนกันจิตใจบางคนก็เป็นมนุษย์จิตใจบางคนก็เป็นเดรัจฉานจิตใจบางคนก็เป็นเทวดา ใจิตใจบางคนก็เป็นอสูรกายใจิตใจบางคนก็เป็นเป็นพรห ม, มเป็นพระอริยเจ้า<ม>ใจิตใจบางคนก็เป็นนรก<ม>อันนี้แหละ<ม>เป็นผลของการกระทำของใจเอง<ม><ม>ถ้าทำบุญชนิดต่างๆ<ม>บุญก็จะส่งให้ใจเป็น<ม> ดวงวิญญาณหรือจิตใจในระดับต่างๆในระดับเทพสูงชั้นที่สูงกว่ามนุษย์ก็คือเทพชั้นที่สูงกว่าเทพก็คือพรหมชัม้นที่สูงกว่าพรหมก็คือชั้นอริยเจ้าพระอริยเจ้าส่วนชั้นที่ต่ำกว่ามนุษย์ก็คือเดระชั้นต่ำกว่าเดรฉานก็คือเปรตต่ำกว่าเปรตก็คืออสุรกาย แน่ต่ำกว่าสุรกายก็คือนรกนี่แหละคือวิบากกรรมที่จะตามมาทันทีเพียงแต่ว่าเราไม่รู้กันว่าเกิดขึ้นแล้วว่าเราใจเราเริ่มกลายพันไปแล้วกลายพันให้ดีขึ้นก็ได้กลายให้เป็นพันที่เร็วลงก็ได้แล้วเมื่อเวลาที่ร่างกายตายไปใจที่ได้กลายไปกลายพันไปแล้วก็จะไปอยู่ ในภพนั้นๆทั น, นทีถ้าได้กายพันเป็นเทพเป็นมากเป็นน้อยก็ไปอยู่นานไม่นานถ้าเป็นเทพมากก็จะอยู่นานถ้าเป็นเทพน้อยก็จะอยู่ไม่นานอยู่น้อยเช่นเดียวกับถ้าเป็นเดละนก็จะไปเป็นเดฉานมากหรือน้อยก็จะก็จะจะนานหรือไม่นานก็อยู่ที่ทำบาป ที่ทำให้เป็นเดรัจฉานนี้ทำมากหรือทำน้อยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกี่ครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งมันจะทำให้วิบากมันนานหรือสั้นทำบาปน้อยวิบากก็จะสั้นทำบาปมากวิบากก็จะยาวก็จะเป็นเดรัจฉานนานถ้าทำบาปด้วยความหลงถ้าทำบาปด้วยความโลภ ถ้าทำมากก็จะเป็นเปรตนานถ้าทำน้อยก็จะเป็นเปรตไม่นานเช่นเดียวกับสุลกายและนรกอยู่ที่ว่าเราทำมากหรือทำน้อยในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้นี่แหละคือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็าตามจะต้องเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะมันเป็นกฎสากกฎของธรรมชาติกฎที่ไม่มีใครที่จะมาลบล้างได้แม้แต่พระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ก็ไม่สามารถมาลบล้างกฎแห่งกรรมได้แม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองก็อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าผลของกรรมเป็นอย่างไรมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งสุขและทุกข์ เราก็เลือกเอาเเราก็สามารถเลือกได้ตอนนี้เราสามารถเลือกได้กันทุกคนไม่มีใครถูกบังคับว่าจะต้องเกิดมาแล้วจะต้องทำบาปไปเรื่ ok อยๆหรือเกิดมาแล้วจะต้องทำบุญไปเรื่อ ok ยๆทุก Ь ขณะที่เราทํเราเรากราลังเลือกทำกันอยู่วันนี้เราเลือกมาทำบุญกันไม่มีใครบังคับเราให้ว่าวันนี้ต้องมาทำบุญถ้าไม่ทาบุญก็ไม่ไม่มาก็มี ค น, คนที่ไม่ทําำบุญวันนี้ก็มีเยอะแยะไปคนที่ทำบาปในวันนี้ก็มีเยอะแยะไปแต่ละคนนี้มีสิทธิ์ที่จะเลือกทำได้ทุกคนอันนี้ไม่ถูกบังคับกันแต่อาจจะถูกหลอกได้คนที่ถูกหลอกให้เชื่อว่ากฎแห่งกรรมไม่มีนี่ว่าทำบุญไม่มีผลไม่มีผลตามมาทำบาปไม่มีผลตามมา เพราะร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปอันนี้เป็นพวกที่มองไม่เห็นใจผู้กระทำที่อยู่เบื้องหลังของร่างกายใจเป็นมนุษย์ล่องหนที่เป็นผู้สั่งการให้ร่างกายไปทำบุญหรือไปทาบาปต่างๆแต่คนที่ไม่ฉลาดคนที่โง่ก็จะถูกความโง่หรือความหลงหลอกให้คิดว่า ร่างกายเป็นผู้กระทำบุญเป็นผู้กระทำบาปและร่างกายเป็นผู้รับผลบุญผลบาปแต่ถ้าไม่มีร่างกายแล้วผลบุญผลบาป ก, ก็ไม่มีตามไปนั่นเองก็เลยไม่กลัวบาปไม่ชอบทําบุญเพราะการทําบุญนี้มันเป็นการสูญเสียประโยชน์ของตนสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและเวลาต่างๆ จึงไม่ค่อยชอบทำบุญกันชอบแต่ทำบาปเพราะทำบาปแล้วมักจะได้ประโยชน์ได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของได้ยศได้ตาแหน่งได้อะไรต่างๆก็เลยจะมักจะทำแต่บุญเนี่ยพวกมักจะทำแต่บาปพวกนี้แหละคือพวกที่ถูกหลอกหลอกเพราะทำหลอกให้เห็นว่าบุญหรือบาปนี้ ไม่สามารถส่งผลหลังจากที่ตายไปได้ทรงอาจจะส่งผลได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ทั้นเช่นทำบาปก็อาจจะถูกไปจับติดคุกติดตารางก็ได้แต่ของอันนี้ก็ไม่แน่นอนบางคนทำบาปแล้วหลบได้หรือทำบาปโดยที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นหก็ไม่มีใครไปตามจับเข้าไปลงโทษจับไปขังคุกขังตารางแต่อย่างใด คนทำบุญทำความดีบางทีก็ไม่ได้รับผลดีตอบแทนก็ได้เพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็น mm hmm. หรือมีคนรู้คนเห็นแต่ก็ไม่อยากจะสนับสนุน mm hmm. เพราะว่าอาจจะไม่ถูกใจทำดีบางคนก็อาจจะหมั่นไส้ก็มี mm hmm. เพราะไปทั้งไปทำตนเองให้ดีกว่าคนอื่นเขาก็ mm hmm. ทำให้คนอื่นเขาอิจฉาริษยาขึ้นมาได้ก็มี เนั้นบางทีทําความดีแล้วไม่ได้รับผลดีก็มีแต่ทําบาปแล้วกลับได้รับผลดีก็มีมันก็เลยทําให้คนเราสรับสนกันว่าเออบาปบุญนี้มันมีจริงหรือไม่กฎแห่งกรรมนี้มีจริงหรือไม่ถ้าเราไปมองที่ร่างกายเป็นผู้กระทําและเป็นผู้รับผลบุญผลบาปแต่ถ้าเราไปมองที่ใจ มองที่ใจผู้เป็นผู้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการทําบุญทาบาตเราจะเริ่มเห็นความจริงทันทีเราสามารถรู้ผลของบุญได้นอกจากการไปเป็นเทว ด, ดาไปเป็นเดฉ า, านแล้วเป็นไปเป็นเปรตแล้วการวัดผลของบุญก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือความรู้สึกภายในใจของเราเวลาเราทําบุญนี้ เราจะมีความรู้สึกสุขใจขึ้นมาเวลาเราทำบาปนี้เราจะมีความรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้แหละเป็นตัววัดเป็นตัวยืนยันพิสูจน์ว่าการทำบุญทำบาปนี้มีผลจริงความสุขใจก็คือสวรรค์นี่เองความทุกข์ใจก็คืออบายเพราะการไปอยู่อบายนี้ไม่มีความสุขใจ การไปเป็นเดรัฉานนี่ความสุขใจมีน้อยกว่าความเป็นมนุษย์มนุษย์เรายัางสามารถอยู่อย่างปลอดภัยไม่ต้องมาหวาดกลัวกับภัยต่างๆอย่างสัตว์เดรัฉานสัตว์เดรัฉานเขาไม่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย<ม>เขาไม่มีอาวุธไม่มีเครื่องม้เครื่อมือไว้ป้องกันตัวเขาเวลาที่เขาถูกสัตว์อื่นมาทําร้ายเขาอันนี้ คือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ว่าถ้าเราทำบุญแล้วใจของเราจะมีความสุขถ้าใจเรามีความสุขก็หมายความว่าใจเราเริ่มกลายเป็นสวรรค์ขึ้นมาถ้าเรามีความทุกข์ใจของเราก็เริ่มกลายเป็นอบายขึ้นมา้ ล, ลองสังเกตดูเวลาทำบุญทำความดีทำอะไรที่เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นมันจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขใจขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปทำลายไปทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเราจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเนี่แหละความทุกข์ใจความสุขใจนี่แหละเป็นผลของบุญและของบาป ท, ที่เราสามารถจับต้องได้ทันทีเลยหลังจากที่เราทำไปแล้วถ้าเรามองจุดนี้แล้วเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ ทำบุญไม่มีผลทำบาปไม่มีผลมันมีแต่เรามองไม่เห็นหเราไม่รู้ว่าที่วัดผลบุญผลบาปมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ความรู้สึกของเราเนี่รู้สึกเวลาเราทำบุญแล้วเรามีความสุขเช่นวันนี้เรามานั่ ง, งฟังเทศฟังธรรมฟังไปแล้วใจเราก็สงบใจเราก็เกิดความสว่างเกิดความสว่างด้วยปัญญา เกิดความเข้าอกเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความจริงต่างๆที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนพอเราได้ยินได้ฟังแล้วมันก็ทำให้เราเกิดความสงบขึ้นมาในใจของเราความความสงบของใจนี้ก็เป็นความสุขนั่นเองความสุขของใจไม่ว่าจะระดับไหนก็อยู่ที่ความสงบของในระดับนั้น ความสุขของเทพก็เป็นความสงบในระดับเทพความสุขของพรหมก็เป็นความสงบของระดับพรหมความสุขของพระอริเอรยเจ้าก็เป็นความสงบในระดับของพระอริยเจ้าสิ่งเหล่านี้เราสามารถจับต้องได้วัดได้ในขณะที่เรายัางมีชีวิตอยู่เราสามารถประเมินได้ว่าตอนนี้ใจของเรานี้อยู่ในระดับไหน อยู่ในสวรรค์ชั้นเทพหรือสวรรค์ชั้นพรหมหรือสวรรค์พระอริยเจ้าหรืออยู่ในระดับของความทุกข์ในระดับไหนอยู่ในอบายในระดับไหนอบายระดับในระชายอบายระดับเปรตระดับระบายระดับกลัวถ้าเปรตก็มีแต่ความหิวโหยได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออยากได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ถ้าสอาศูนย์กายก็มีแต่ความหวาดกลัววิตกกังวลกับทิ่งต่างๆถ้าเป็นนรกก็เต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้น<ม>ถ้าเป็นเนราชานก็หวาดกลัวว่าจะกินที่ไหนจะหาอะไรกินในวันต่อไปทุกข์กับการหากินหาอยู่ไปนี่คือเรื่องของ เรื่องของกฎแห่งกรรมก็คือโดยสรุปแล้วเราต้องเข้าใจว่าผู้กระทากรรมนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเครื่องมือน่างกายไม่ได้เป็นผู้รับผลของการกระทาผู้ที่รับผลของการกระทาก็คือใจใจก็จะเปลี่ยนไปจากมนุษย์ไปเป็นเทเป็นพรหมเป็นอริยะเจ้าถ้าทำบุญในระดับต่างๆหรือเปลี่ยนไปเป็นเปรตเป็นอสูรกาย เป็นนรกหรือเป็นเดลฉานตามเหตุตามผลของการกระทบาบาปว่าทำด้วยเหตุผลอันดใดใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลต่อไปฉะนั้นเราต้องมองไปไกลๆชีวิตของเราไม่ใช่จบแค่ร่างกายนี้เท่านั้นร่างกายนี้เป็นเหมือนกับ <c oughs> ป้ายรถมีป้ายเนี่งเวลาเราเดินทางไกลนี้เราจะต้องผ่าน ใ้รถเมล์รือสถานีรับส่งผู้โดยสารแลวต้องมีการจอดแวะลงรับส่งผู้โดยสารไปเรื่อยๆอชีวิตของเรารอบนี้ก็ก็เหมือนกับไปมาสู่สถานีหนึ่งเดี๋ยวก็ออกจากสถานีนี้ไปสู่อีกสถานีหนึ่งร่างกายของเราเดี๋ยวก็ต้องตายกันไปทุกคนแต่ผู้ที่ไม่ตายผู้ที่จะไปเป็นอะไรต่อไปก็คือ ใจของเหานี้เองใจของเรานี้เป็นผู้กระทําและเป็นผู้รับผลกระทําตอนนี้เรามาอยู่ป้ายของมนุษย์มาอยู่สถานีโดยสารของมนุษย์สถานีนี้เป็นที่มาเป็นที่ตั้งของมนุษย์เวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราก็จะมาอยู่ในสถานะภาพของมนุษย์แล้วเราก็จะมามีโอกาสที่เราจะมาเสริมบุญหรือเสริมบาปได้ ภพของมนุษย์นี้เป็นพบของการทํากรรมของการสร้างเวรสร้างกรรมสร้างบุญสร้างกุศลเราสามารถเลือกทําได้ขึ้นอยู่กับว่าเราฉลาดหรือเราโงา่ถ้าเราโงา่เราก็มักจะเลือกทําบาปทําเวรทํากรรมกันแต่ถ้าเราฉลาดเราก็จะเลือกทําแต่บุญทําแต่กุศลกันแล้วพอถึงเวลาที่เราจะต้องออกจากสถานนี้ไป พอร่างกายนี้ตายไปเราก็เอาบุญหรือเอาบาปที่เราได้มาสะสมกันในขณะนี้ไปต่อไปนั้นอย่าไปเห็นความสำคัญของการแสวงหาผลประโยชน์ที่เราจะได้จากโลกนี้เพราะผลประโยชน์ที่เราจะได้จากโลกนี้เราเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ บ, บาทเดียวผลประโยชน์ที่ที่เป็นของโลกนี้เรียกว่าโลกกรรม มีอยู่สี่โลกธรรมสี่ได้แก่หนึ่งได้ก่ราบ 2, 3, สองยศสามสรรเสริญ 4, สี่สุขสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายอันนี้ต่างจากสุขที่เกิดจากการทำบุญอันนี้สุขจากการได้เสียรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เอ็นได้ดูของที่เราชอบก็เกิดสุขขึ้นมาได้ดื่มของที่เราชอบดื่มแล้วก็เกิดสุขขึ้นมา อันนี้เป็นสุขคเวทนาไม่ใช่สุขของใจเป็นความสุขชั่วคราวทั้งสี่อย่างนี้โลกธรรมทั้งสี่อย่างนี้เป็นของชั่วคราวมีเจริญและมีเสื่อมมีลาบก็เสื่อมลาบได้มียศก็เสื่อมยศได้มีสาระเสริญก็เสื่อมสาระเสริญเป็นนินกายเป็นนินทาได้มีสุขก็เสื่อมกายเป็นทุกข์ได้ และทั้งสี่นี้ทั้งลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เราเอาไปไม่ได้เลยพอร่างกายนี้ตายไปเราไม่สามารถที่จะเอาโลกธรรม ท, ทั้งสี่ไปกับเราได้เราให้เราหาเงินทองเป็นแสนล้านมีทรัพย์สมบัติเงินทองเป็นแสนล้านเนี่ยบางคน ม, มีเงินถึงแสนล้านเนี่ยเวลาตายไปก็ตายแบบขอทาน ขอทานก็เอาอะไรไปบาทขอทานไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวขอทานไปก็ไม่เอาไม่เอาเงินไปแม้แต่บาทเดียวเจษถีที่มีเงินเป็นแสนล้านก็ตายแบบเหมือนกับขอทานตายเหมือนขอทานเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวคนที่เป็นใหญ่เป็นโตมียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามตายไปก็เหมือนตายแบบขอตายแบบคนที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์พอเวลาไปเขาไม่เอา ดวงวิญญาณจะไม่ไปดวงจิตดวงใจจะไปบอกว่าเราเป็นนายกเราเป็นรัฐมนตรีมันเอาไปไม่ได้มันเอาไปได้แต่บุญหรือบาปหรือผลของบุญของบาปที่ทำไว้เท่านั้นสารเสริญคือการได้รับรางวัลต่างๆก็เอาไปไม่ได้ได้เหรียญทองกี่เหรียญได้รางวัลตุ๊กตาทองกี่ตัวไดเ้เกียรติบัตรได้อะไรต่างๆประกาศนียบัตรอะไรต่างๆ เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวความสุขที่เราได้เสพทางตาหูจมูกนิ้นกายต่างๆนี้เราก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว<ม>เพราะเราไม่มีเครื่องมือที่จะเอาเอาเอ า, เอาสิ่งเหล่านี้ได้การที่จะมีเอามีโลกธรรมได้ต้องมีร่างกายร่างกายเป็นเหมือนเครื่องมือในการหาโลกธรรม ท, ทั้งสิ่<ม>พอไม่มีร่างกายแล้วการจะหา โลกกระททั้งสี่ก็เป็นไปไม่ได้เอาไปไม่ได้สิ่งที่จะไปกับใจที่จะเป็นดวงวิญญาณต่อไปนี้ก็คือบุญหรือบาป ท, ที่เรามาทํากันในปัจจุบันนี้ mm. เท่านั้นนอกนั้นเอาอะไรไปไม่ได้ยิง่งถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราจะได้รู้จักใช้เวลาของชีวิตนี้ให้เกิดประโยชน์สู่แก่จิตใจของเราให้อย่างเต็มที่ mm. ก็ควรที่จะมาทุ่มเทเวลา ของชีวิตของเรานี้ให้กับการมาสร้างบุญสร้างกุศลไม่ดีกว่าให้เอาชีวิตของเราเวลาของเรานี้มาละการกระทําบาปทปั้งปวงอย่าไปทําบาปโดยพยายามลดการกระทําบาปถ้าเรายังทําบาปอยู่ก็พยายามลดทําให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรายังไม่ได้ทําบุญหรือทําน้อยก็มาทําให้มากๆดีกว่าอย่างนี้เพราะว่า ผลของบาปหรือผลของบุญนี่แหละเป็นสิ่งที่เราเอาติดตัวไปด้วย <sc> <bizi> เราจะอยากเอาไปหรือไม่อยากเอาไปมันก็ไปกับเราบุญกับบาปนี้เป็นเหมือนเงาตามตัวเรา <kle tight> ไม่อยากให้มันไปมันก็ไปทําบาปแล้ว <kle tight> ผลของบาปมันก็จะไปกับเรา <kle tight> ทําบุญแล้ว <kle tight> <kle tight> ผลของบุญมันก็จะไปกับเรานอกจากไปเหมือนไม่ได้ไปไปกับเรามันเป็นตัวที่ลากเราไปถ้าบาป ลากเราไปบาปมันก็จะลากเราไปสู่อาบาปกันถ้าบุญลากเราไปบุญก็จะลากเราไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆน<ม>ะเวลาที่เราตายนี่แหละจะเป็นเวลาที่บุญกับบาปจะมาเป็นผู้ม า, าทดสอบพลังกันใครมีใครจะมีพลังมากกว่ากัน<ม>ถ้าบุญมีพลังมากกว่าบาปบุญก็จะเดินใจไปทางสวรรค์ชั้นต่างๆ ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงใจให้ไปในทางของบาปก็คือไปอบายอันนี้ไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้แ ม, ม้แต่พระพุทธเจ้าหรือพระอานนทสาวกก็ตามไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมนี้ได้ผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือตัวเรานี่แหละคือเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทําของเรา ถ้าเราไม่ต้องการให้บาปเป็นผู้ดึงดวงวิญญาณของเราไปสู่อาบายเราก็ละการกระทําบาปเท่านั้นเอง mm hmm. ถ้าเราอยากจะให้ใจของเราให้บุญลากใจของเราไปสวรรค์ชั้นต่างๆเร า, าก็มาสร้างบุญกันเท่านั้นเอง mm hmm. ไม่ยากเย็นเลยสองอย่างนี้ถ้าไม่อยากจะไปอาบายก็อย่าทําบาป เราก็ต้องศึกษาว่าบาปมีอะไรบ้างควนจริงบาปก็มีไม่มากมีแค่สี่ข้อเท่านั้นข้อห้ามหรือการกระทาที่เป็นบาปมีอยู่สี่ข้อคืออะไรหนึ่งคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอสองการลักทรัพย์หรือเอาทรัพย์ของผู้โดยที่เขาไม่อนุ ญ, ญาตสามการประพฤติผิดประเพณีสี่การพู ด, ดโกหกหลอกลวง นี่แหละคือบาปมีแค่สี่ข้อใหญ่ๆนี้เท่านั้นเองแล้วก็ให้ละผู้ที่มาสนับสนุนให้เกิดการกระทำบาปได้ง่ายคืออบายยมุกอบายยมุกนี้แปลว่าอะไรมุกก็แปลว่าทางเข้าออกทวารอบายก็คือพบทั้งพบทั้งสี่เดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกนี้เรียกว่าอบาย ถ้าเราไปเสพอบายมุขนี้ก็แสดงว่าเราไปอยู่ที่ปากทางเข้าออกของอบายการจะเข้าออกอบายมันก็จะง่ายกว่าถ้าเราอยู่ใกลถ้าเราอยู่ห่างไกลจากจากทางเข้าออกอบายการจะเข้าไปในอบายมันก็ไม่มันก็ยากแต่ถ้าเรายืนอยู่ปากประตูแล้วนี่มันก็เข้าไปได้ง่ายถึงเวลามันจะเข้ามันก็เข้าไปเลย เพราะฉะนั้นนอกจากการไม่กระทำบาปแล้วยังต้องมาเลิกการกระทำเลิกเลิกเสพอบายามุกด้วยเพราะถ้าเสพอบายามุกแล้วมันจะทำให้ทำบาปได้ง่ายนั่นเองอบายามุกมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งการดื่มสุรายาเมาหรือของมุนเมาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดชนิดต่าง ยันดินไหนที่เสพก็ไปแล้วทำให้เกิดอาการมึนเมาคุ้มคลั่งขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะไปเสพเพราะจะทำให้ไม่สามารถควบคุมการกระทาของใจได้เวลาใจคิดไม่ดีคิดจะทำบาปก็จะทาทันทีเวลาเวลาจะพูดอะไรไม่ดีใจก็จะพูดขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีสติครบบริบูรณ์อย่างตอนนี้ ถ้าญาติโยมมีสตินี่ควบคุมให้ใจนั่งเฉยๆก็ได้ใจอยากจะทําบาปก็ห้ามได้เพราะว่ามีสติมีกําลังของสติสมบูรณ์พอที่จะระ ง, งับการกระทําบาปได้อย่างง่ายได้แต่ถ้าเกิดมีอาการมึนเมาขึ้นมาดื่มโซลาแล้วมานั่งฟังเทศฟังธรรมดีไม่ดีเดี๋ยวก็อลาวาดกันขึ้นมาเพราะใจจะไม่นิ่งใจจะอยู่เฉยๆไม่ได้ ใจมันจะคิดไปคิดมาแล้วก็มีอารมณ์อารมณ์อารมณ์ขุนมัวต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็จะทําให้อลบายออกมาด้วยกิริยาวาจาที่ไม่สวยงามอรารวาสขึ้นมางานดีไม่ดีก็จะไปทำร้ายผู้อื่นได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าเลยต้องห้ามไม่ให้เสพอบายามุกด้วยห้ามทําบาปแล้วก็ห้ามเสพอบายามุก ค, คือผู้ที่สนับสนุนในการทําบา คือการดื่มดื่มสุรายาเมาของมึนเมาทั้งหลายของที่ทําให้ขาดสติทําให้จิตใจคุ้มคลัง่งเนี่เช่นยาบ้าอย่างนี้เป็นตน้นคนเสพยาบ้าแล้วก็เกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อย่าไปเสพอบายามุกนะียสุรายาเมาของมึนเมาต่างๆ อ, อันนี้อบายามุกข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือการเล่นการพ น, นัน การเล่นการพนันนี้ก็จะเป็นการทำให้ต้องไปทำบาปไม่ช้าก็เร็วพอเล่นการพนันแล้วก็จะต้องสูญเสียเงินทองไปเวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อเวลาเสียก็อยากจะเล่นต่อเอาคืนเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็หมดเนื้อหมดตัวพอไม่มีเงินทองมาเล่นก็ต้องไปขโมยเงินของคนอื่นมาเล่นต่อ บาเยี่ยนี่คือการพนันเป็นตัวที่จะไปผลักดันให้ใจไปทำบาปถ้าไม่มีการเล่นการพนันแล้วการสูญเสียเงินทองจากการพนันก็จะไม่มีเลยมีเงินกี่ร้อยกี่พันก็จะรักษาเงินร้อยเงิน้อยเงินพันนั้นได้แต่พอไปเล่นการพนันแล้วเดี๋ยวหมดเพราะว่าผีพนันนี่มันร้ายกว่าก่าขโมยนะขโมยมันขึ้นบ้านมันก็เอาไปได้แต่ข้าวของเงินทอง แล้วก็ผีพนันนี้ร้ายกาจก่อขโมยแล้วยังร้ายกาจกว่าไฟไหม้บ้านอีกไฟไหม้บ้านมันก็ไหม้ได้แต่บ้านเข้าของแต่มันไม่สามารถไหม้ที่ดินได้ที่ดินก็ยังอยู่แต่ถ้าผีพนันนี้มันเอาหมดเลยมันเอาทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองไปขายขายหมดแล้วก็ขายที่ดินขายบ้านขายช่องไป พรต้องมาไปเล่นการพนันบางทีก็เอาไปใช้นี่ติดนี่การพนันขึ้นมาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่อันตรายต่อต่อต่อจิตใจจะพักดันให้จิตใจต้องไปทํำบาปข้อสองเล่นการพนันข้อสามการเที่ยวเตะการเที่ยวแบบมา ก, มากๆการเที่ยวแบบเป็นนิสัยเลยคือไม่ไปทํางานทําการทาําหากินตามปกติจะเอแต่เที่ยวจะเล่นอย่างเดียวเนี่ย พวกนี้ก็เป็นพวกที่ไม่มีรายได้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายการเที่ยวนี้มีแต่รายจ่ายพอเงินไม่พอใช้ก็ทีนี้ก็จะต้องไปหาเงินโดยมิชอบขึ้นมาไปรักทรัพย์ไปป้นไปจี้และบางครั้งถ้าเกิดการต่อสู้กันก็มีการฆ่ากันตายอย่าไปอย่าอย่าเที่ยวมากเกินไปเที่ยวพอผ่อนคลายทำงานมานหนัก ปหนึ่งบางคนก็เขาเที่ยวปีละครั้งเช่นตุรกีคนจีนนี่ส่วนใหญ่เขาจะทํางานทั้งปีทั้งชาติมาหยุดช่วงตุรกีอ่ะผ่อนคลายสักหน่อยอย่างนี้เขาถึงน้ำรวยกันเพราะเขาเขาใช้เงินน้อยปีละครั้งเดียวเท่านี้แต่ถ้าเราเที่ยวแบบทุกวันทุกเดือนทุกประทศนี่มีเท่าไหร่เดียวมันก็หมดไม่พอใช้เงินทองยังตนต้องระมัดระวังเรื่องการเที่ยวเตะเที่ยวให้น้อยที่สุด ถ้าไม่จำเป็นไม่เที่ยวได้เลยยิ่งดีจะได้ไม่มีการสูญเสียเงินทองแล้วจะไม่มีการมากดดันให้เราต้องไปหาเงินทองโดยวิธีไม่ชอบแล้วอบายามุขข้อที่สี่ก็คือความเกียจค้านอยากเกียจค้านเพราะถ้าเราไม่มีความขยนันมีแต่ความเกียจคร้านเราจะหาเงินหาทองไม่ได้หาเงินหาทองโดยวิธีสุดจริญไม่ได้เราก็จะหาเงินหาทองโดยวิธีทุจริตโกหกหลอกลวง สมัยนี้มีข่าวข่าวที่เราได้ยินได้ฟังกันตลอดเวลาผ่านมือถือเนี้ใครมีมือถือนีอ้เท่ากับเอาขโมยมาเข้าเข้าบ้านเราลนะถ้าเราไม่ระมัดระวังมีวิธีการป้องกันเดี๋ยวขโมยมันก็มาหลอกให้เรากดนู่นกดนี่พอกดเข้าไปปั๊บมันก็ดูดเงินของเราไปทันทีฉะนั้นต้องระวังนะอันนี้เป็นเรื่องผลของคนที่มีความเกลียดค้านไม่มี ความอดทนไม่มีความขยันหมัน่นเพียรในการทํางานทำอาชีพที่สุดจริตโดยหาวิธีหาเงินโดยวิธีทุจริตหาวิธีด้วยการหลอกลวตงต่างๆอันนี้แหละก็ความเกลียดค้านก็จะนําไปสู่การกระทำบาปได้ละอบายามุขข้อที่ห้าก็คือการไม่คบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรอย่าไปคบกับคนที่ชอบดื่มสุรายาเมาเพราะเขาจะชวนเราไปดื่มด้วย อย่าไปคบกับคนที่เล่นการพนันเขาจะชวนเราไปเล่นการพนันด้วย<ม>อย่าไปคบกับคนที่เขาชอบเที่ยวว่าเขาจะชวนเราไปเที่ยวอย่าไปคบกับคนที่เกลียดค้านเขาว่าเขากจะชวนให้เราเกลียดคาร<ม><ม>แต่สมมติว่าถ้าเรายังต้องคบพบะกันทําธุระกันในบางเรื่องบางอย่างก็ทําได้แต่คบกันในฐานะที่เป็น เป็นผู้ที่มีความจําเป็นที่จะต้องติดต่อกันคบกันตามาหากินอะไรต่างๆในบางเรื่องบางราว<ม>แต่ถ้าเขาชวนให้เราไปทําในเรื่องของอบายามุขเราก็อย่าไปทั้งนั้นเองมไม่ได้มาคำว่ า, าให้เราลังเกียจคนที่เขาเสพอบายามุขใคร<ม>เสพอบายามุขก็ไปเขาเสพไปแต่เราอย่าไปเข้าใกล้เขาดีกว่าเพราะเหมือนเข้าใกล้งูเห่า งูเหา่าถ้าเราไม่ระมัดระวังเดี๋ยวก็จะถูกงูเห่ากัดได้ถ้าไม่จําเป็นก็อยู่ไปอยู่ใกล้ถ้าจําเป็นก็ต้องใช้สติต้องคอยดูว่าเขาจะชวนเราไปในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าถ้าเขาชวนเราไปในทางที่ไม่ดีก็ปฏิเสธได้เลยไม่ต้องไปเสียดายเขาบางคนเสียดายว่าโอ้ถ้าเราปฏิเสธเขาแล้วเขาจะไม่คบกับเราเขาจะไม่เป็นเพื่อนกับเราก็าเสียเพื่อนดีกว่าเสียตัวนะ่ะ เสียเพื่อนเราหาใหม่ได้เพื่อนนี่มีเยอะแยะในโลกนี้แต่เสียตัวเรานี่หายากเอาเอาคืนมายากพอตัวเราเสียแล้วนี่มันกอาจะทำให้มันไม่เสียได้นี่มันมันยากงั้นอย่าไปเสียตัวดีกว่าไม่ต้องไปเกงใจคนอื่นเกงใจทำทำก็คือความถูกต้องดีงามการไม่คบคนที่การไม่เสะบายอมุกการไม่ทำบาปนี่แหละเป็นธรรม ถ้าใครมาชวนให้เราไปเสพไปทําบาปแล้วเราก็ต้องปฏิเสธทันทีนไม่ต้องไปเกรงใจเขาเกรงธรรมดีกว่าถ้าเกรงใจแล้วทําแหละถ้าเกรงใจเขาชวนเราไปกินเหล้าก็ต้องไปกินกับเขาเขาชวนเราไปเล่นการพนันก็ชวนเราก็ไปเล่นกับเขาแล้วต่อไปเขาดีไม่ดีอาจจะมาชวนเราเข้าเข้าทีมงานชอบโกงก็ได้มาร่วมงานกันไหมมีการวิธีหาเงินแบบง่ายๆเพียงแต่ส่งข้อความก ด, กดนู่นกดนี่ เดี๋ยวก็ได้เงินทองเยอะแยะแล้วอันนี้เราต้องอย่าไปคบกับคนเหล่านี้เป็นอนขานถ้าเราไม่อยากจะไปอบายอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราป้องกันตัวเราเองการไปอบายหรือไม่ไปอบายอยู่ที่ตัวพวกเราเองเราป้องกันตัวเราเองไม่ให้ไปอบายได้ <S <S แต่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้านี้เราก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราเชื่อโอ๊ยอบายไม่มีนโกสวรรค์ไม่มีตายแล้วก็ศูนย์ ถ้าอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ถ้าอยากจะไปทำตามความหลงของตนก็ทำไปหลงเพราะอยากจะหาหาสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้คือโลกกระทำนั่นเองอยากจะหาเงินหาทองมากๆอยากจะหายศหาตำแหน่งกันอยากจะได้สรรเสริญอยากจะได้รางวัลอะไรต่างๆอยากจะได้ความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลดินรถต่างๆถ้าเรามาหลงกับโลกกระทแล้วโอกาสที่เราจะไป ทำทำบุญละบาปนี้จะจะเป็นของยากมากเพราะเราไม่เชื่อว่าบุญนี้มันดีกว่าสิ่งที่เราอยากจะได้คือ ล, ลาบยศสารเสริญสุขแล้วเราไม่เชื่อว่าบาปมีจริงเพราะเห็นคนทำบาปนี้กลับได้ดิบได้ดีมีเยอะแยะกันกลับร่ำกลับรวยกลับเป็นใหญ่เป็นโตกันมีมีคนสารเสวนเยืนยอกันเยอะแยะไปหมด อันนี้เป็นเพราะเรามองมองไม่เป็นมองไม่ลึกมองไม่เข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมว่าเป็นอย่างไรดังั้นเราต้องพยายามฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆมันเข้าหาผู้รู้พระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ต้องเป็นพระสงฆ์ที่เป็นสง์แท้ก็คือเป็นพระแท้พระแท้ก็คือพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์เรียกว่าพระแท้ แต่ถ้าพระที่ยังเป็นปุตุชนอยู่ยังไม่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นพระแท้เป็นพระที่กำลังศึกษาเล่าเรียนพระที่ยังไต่เต้าเข้าสู่แล้วามเป็นพระแท้ต่อไปงั้นเราถ้าอยากจะเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องดีงามควรเข้าหาพระแท้กันพระแท้นี้ก็หาได้ถ้าเราศึกษาค้นคว้าอยู่ส่วใหญ่พระแท้ก็จะเป็นพระปฏิบัติ พระปฏิบัติธรรมเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นพระปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้านี้เป็นพระป่าไม่ใช่เป็นพระบ้านพระพุทธเจ้าบวชในป่าอยู่ในป่าตัดสลุในป่านี่นะคือพระแท้ส่วนใหญ่จะเป็นพระป่าพระที่ปฏิบัติกดธุดงควัตและปฏิบัติกรรมฐานอันนี้แหละจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเราอยากจะหาพระแท้ดูที่ตรงนี้อยู่ที่การรัพติปฏิบัติของท่าน ที่เ ร, เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือนี่แหละปฏิบัติกรรมฐานคือมันเจริญสติด้วยการบริกรรมพุโทโธมันพิจารณาธรรมต่างๆอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปฏิบัติการอยู่แบบมากน้อยสันโดษด้วยการถือทวดงขวัดข้อต่างๆเอ็นถือการบินธบาติเป็นวัดฉันมือเดียวฉันในบาปเป็นวัดฉันมือเดียวอย่างนี้ อยู่ใช้ผ้าบางสกุลใช้ผ้าหนึ่งชุดหนึ่งสำรับไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหมกับปัจจัยสี่ที่ศรัทธายาโยมาถวายนี่แหละคือวิธีการดูพระแท้อย่างหนึง่งก็ไม่ใช่ดูได้ชัดเจนหนึ่งแต่ก็เป็นเป็นสัญลักษณ์ของพระแท้แล้วคือพระทุดงกรรมฐานพระที่ปฏิบัติทุดงคขวัตพระที่ปฏิบัติกรรมฐานใช้เวลาส่วนใหญ่ให้กับการปฏิบัติ กรรมฐานคือสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้แหละเป็นเป็นเครื่องวัดของพระแท้ว่าเป็นยังไงแล้วพระแท้ส่วนใหญ่ก็มักจะไปอยู่ตามป่าตามเขากันจะไม่ค่อยชอบอยู่ตามบ้านตามเมืองกันเพราะสถานที่ตามบ้านตามเมืองนี้มันไม่เอื้อต่อการเจริญมรรคผลมิพานนั่นเองพระ พระที่ต้องการมรรคผลนิพพานพระที่ต้องการเป็นพระแท้ก็มักจะเลือกไปอยู่ตามตามป่าตามเขาไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาแล้วก็ไปเจริญทุดงกรรมฐานไปถือข้อวัดปฏิบัติทุดงขวัตต่างๆแล้วก็งานก็งานกรรมฐานงานเจริญความสงบเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบ แล้วก็จเจริญปัญญาให้เห็นอริยสัจสี่เห็นอนนีจังทุกขังอนัตตานี่แหละคือเป็นเครื่องวัดพระแท้ว่าเป็นอย่างไรถ้าพระที่ยังไม่ได้ปฏิบัติหลังนี้เรายังไม่ถือว่าท่านเป็นพระแท้ได้นี่วิธีเลือกแบบคร่าวๆนะอาจจะไม่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าอยากจะรู้เป็นพระแท้หรือไม่แท้ก็ต้องไปศึกษากับท่านแล้วศึกษาแล้วท่านสอนให้เราเป็นพระแท้ได้เราก็จะเชื่อแล้วว่า ตอนนี้เป็นพระแท้อย่างแน่นอนถ้าเขาไม่เป็นพระแท้ก็จะสอนให้เราเป็นพระแท้ได้อย่างไร mm hmm. ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ดูฟังหูไว้หูก่อนดูตาไว้ตาก่อนก็ได้อย่าไปเชื่อแบบร้อยเปอร์ซ็นทีเดียวเพราะว่าบางทีก็ยังอาจจะไม่ได้เป็นพระแท้อย่างสมบูรณ์ก็ได้ mm hmm. แต่ก็มีมีส่วนที่เป็นพระแท้มากกว่าไม่ไม่ไม่เป็นพระแท้ถ้าสามารถปฏิบัติทุดงกรรมาฐานได้ mm hmm. นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องเข้าหาอยู่บ่อยๆไปฟังเทศฟังธรรมจากท่านเหล่านี้บ่อยๆลรวรับประกันได้ว่าทุกองค์จะต้องสอนอย่างเดียวกันคือสอนเรื่องกฎแห่งกรรมว่ากรรมมีจริงเรามีกรรมเป็นของของตนเราเป็นผู้กระทำกรรมไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญหรือบาปนั้นอย่างแน่นอนถ้าไปเจอพระที่สอนอย่างนี้ก็ ก็อย่างน้อยก็รู้แล้วว่ามาถูกทางแล้วท่านจะสอนเรื่องกฎแห่งกรรมท่านจะสอนเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องเรื่องให้ละการกระทาบาปให้สร้างแต่บุญสร้างแต่กุศลให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่จะเป็นคำสอนของพระแท้รพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสลู่ในโลกนี้ก็จะสอนคับสอนเหล่านี้เทนั้น สอนให้ละการกระทำแบบทั oh. ้งปวงสอนให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสอนให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเพราะกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากเหล่านี้เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นตัวที่จะผลักดันให้จิตใจไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้น เป็นแบบองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆถ้าต้องการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆด้วยการปฏิบัติมักคือทานศีลภาวนาให้ทําบุญทําทานให้รักษาศีลศีลขั้นต่างๆศีลห้าแล้วก็ศีลแปด แล้วก็ให้หาที่สงบสงัดวิเวกไปปฏิบัติปฏิบัติทั้งทีก็ต้องปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบเอาเต็มวันเลยหนึ่งวันกันหนึ่งคืนเช่นวันพระนี่สมัยก่อนวันพระนี่เป็นวันที่ญาติโยมจะหยุดทํางานแล้วก็ไปเข้าวัดเพื่อไปปฏิบัติทานศินภาวนาทําบุญทําทานใส่บาตตอนเช้าเสร็จแล้วก็สมาทานศินแปรักษาศินแปแล้วก็ปฏิบัติภาวนา จเจริญสมถะภาวนาก่อนจเจริญสตินั่งสมาธิด้วยการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็จเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมทําอย่างนี้ไปทุกอาทิตยอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทําทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับการจเจริญการปฏิบัติที่ต้องจเจริญทั้งวันทั้งคืนก็คือสติต้องหมั่นพยายามควบคุมใจไม่อย่าให้ลอยไปลอยมาอย่าให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่กำลังทำอะไรก็ให้ใจรู้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่อย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นกำลังเดินก็ให้รู้ว่าเรากาลังเดินกำลังนั่งก็ให้รู้ว่าเรากำลังนั่งกำลังยืนกำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกำลังทำอะไรก็ตามฝึกสติให้รู้อยู่กับการกระทำเหล่านี้แล้วเวลานั่งเฉยๆก็ให้มีอะไร ให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่าปล่อยให้นั่งเฉยเฉยถ้านั่งเฉยเฉยแล้วเดี๋ยวใจจะลอยถ้าเวลานั่งแล้วต้องมีอะไรให้ดูให้มีอะไรให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวกับจิตใจเช่นให้ดูลมหายใจเข้าออกหรือให้บริกรรมคําพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยอย่านั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยแล้วเดี๋ยวใจมันจะหลอกเราเดี๋ยวมันจะสร้างอะไรแปลกๆให้เราเห็นแล้วให้เราไปคิดว่าเป็นสวรรค์บ้างเป็นนรกบ้าง เป็นเจ้ากรรมนเวรบั่งเป็นอะไรร้อ0 0ประการควาจริงมันไม่ได้เป็นอะไรเลยมันเป็น ม, มโนมโนกรรมมโนโกรรมก็คือความคิดปรุงแต่งของใจปรุงแต่งขึ้นมาเองมาหลอกเราให้เราหลงทางทําให้ใจเราไม่สงบทําให้ใจเรานั่งแล้วไม่ได้ผลจากการนั่งแล้วไปหลงผิดที่ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนั่นแหละคือผลที่จะได้เกิดจากการนั่งอย่างบางคนบอกนั่งสมาธิแล้วจะได้เห็นสวรรค์เห็นนรก เห็นเปรเห็นอะไรอันนี้ม yep. yes. ันจะได้ม huh. ันก mm ็ม hmm. ีอยู่แต่มันไม่ใช่เป็นของง่ายมันไม่ใช่อยู่ดีๆนั่งปุ๊บมันจะเห็นปั๊บของพวกนี้มันต้องเป็นระดับสมาธิที่เรียกว่าอุปจาระสมาธิเท่านั้นแหละถึงจะสามารถที่จะเข้าไปถึงนรกถึงสวรรค์ได้และคนที่จะได้อุปจาระสมาธิก็มีน้อยมากไม่ใช่ทุกคนนั่งแล้วจะได้สมาธิแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้สมาธิแบบนิ่งสงบ กายนิ่งสง บ, บมีความสุขว่างเย็นสบายปาศจากความวุ่นวายใจต่างๆปราศจากอารมณ์ความหนงความโลภความรักความชังต่างๆเท่านั้นเองอันนี้แหละคือเป้าหมายของการนั่งสมาธินั่งเพื่อให้ใจว่างใจสบายใจเย็นใจมีความสุขเวลาทุกข์กับอะไรขณะที่เข้าสมาธิแล้วความทุกข์เหล่านั้นก็จะหายไปทุกข์กับโรคภัยไข้ขเจ็บก็จะหายไปเวลาเข้าสมาธิแล้วเหมือนกับไม่ได้เจ็บไข้ได้ปวด ใจเย็นใจสบายไม่เดือดร้อนอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถบรรเทาความทุกข์ใจได้ถ้าเรามีความทุกข์ที่ที่เราไม่สามารถแก้ได้เช่ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆหรือความทุกข์ที่เกิดจากจา ก, จากความตายอาจจะต้องตายไปในระยะอันสั้นนี้ใจก็จะเครียดแต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้หยุดคิดได้ให้นิ่งได้ให้สงบได้ ใจเราก็จะเย็นจะสบายความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องความตายก็หายไปเหมือนกับว่าไม่ตายลืมความตายไปนี่แหละคือที่พึ่งทางใจที่จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้ท่ามกลางความทุกข์ความความทุกข์ต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ก็ดีความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความตายก็ดี ความทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพลาคสูญเสียสิ่งที่เรารักไปก็ดีความทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องอเผชิญกับสิ่งที่เราไม่เราไม่ชอบก็ดีความทุกข์เหล่านี้เราสามารถที่จะหลบได้หลีกได้ถ้าเรามีสติถ้าเราสามารถนั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบเดียงได้เวลาเราทุกข์แล้วเราไม่รู้จะทำอะไรทำอะไรไม่ได้หมอบอกว่าทาอะไรไม่ได้แล้วให้เตรียมตัวเตรียมใจ อันนั้นแหะวิธีเตรียมตัวเตรียมใจก็คือเข้าไปในสมาธิทําใจให้สงบนิ่งเงย็นสบายแล้วใจก็จะไม่เครียดใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะไม่เดือดร้อนอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทําได้เลือกทําได้แต่เราจะทําได้เราก็ต้องไปพบกับคนที่เขาทํามาแล้วเช่นพระแท้ต่างๆพระแท้นี้ท่านรู้จักวิธีละการกระทําบาปทั้งปวงท่านได้ละมาแล้วบาปทั้งหลายท่านไม่ทําแล้ว ทานรักษาศีลสะอาดบริสุทธิ์ทำบุญทำทานท่านก็ทํามาอย่างเต็มที่แล้วมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรท่านก็บริจาคไปหมดออกบวชแล้วก็มาบําเพ็ญภาวนาเพื่อมาชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อกําจัดกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์ใจตัวที่มาดึงให้จิตใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจา ก, กสิ้น อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันต้องต้องฟังเทศฟังธรรมสมัยนี้ไม่ต้องไปที่วัดก็ได้เดี๋ยวนี้มีธรรมะของพระแท้มีเยอะแยะในใน u ูทูบใน facebook ที่เราสามารถเปิดฟังได้ตลอดเวลาหาฟังเทศของพระป่าทั้งหลายพระสายหลวงหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นพระป่าพระแท้กันส่วนใหญ่เป็นพระแท้กันทั้งนั้นกระดูกของท่านตายไปแล้วก็กลายเป็นพระธาตุากัน วัดของท่นก็สร้างเจดีเก็บพระแท้ทของท่านเอาไว้กันอันนี้เป็นการยืนยันว่านี่แหละคือพระแท้พระแท้ก็อยู่วัด น, นี้เคยปฏิบัติอยู่ที่วัด น, นี้คอยคยสั่งสอนอบรมศรัทธาญาติโยมที่วัด น, นี้เชื่อฟังเชื่อถือคําสั่งคําสอนของท่านได้คําสั่งคําสอนของท่านก็ยังมีอยู่เป็นหนังสือบ้างเป็นเทปบ้างเป็นเป็นอะไรบ้างเป็นบันทึกทางวีดีโอบ้างทางเสียงบ้างก็ศึกษาจาก บุคคลเหล่านี้ได้เพื่อที่เราจะได้มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีเครื่องเสริมกําลังศรัทธาของเราให้มีความแน่วแนต่อเรื่องของกฎแห่งกรรมเมื่อเรามีศรัทธาความแน่วแนต่อเรื่องของกฎแห่งกรรมเราก็จะทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ ท, ทาําก็คืออย่ากระทําบาปละการกระทําบาปทําแต่บุญทําแต่กุศลแล้วก็ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ถ้าเราทําตามได้ต่อไปเราก็จะเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระแท้กันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นคารวะหรือเป็นนักบวชไม่สําคัญสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติได้หรือไม่ได้เท่านั้นถ้าปฏิบัติได้ญาติโยมก็บรรลุได้เป็นพระถ้าไม่ปฏิบัติก็บรรลุไม่ได้การบรรลุได้หรือไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่การเป็นพระหรือเป็นคารวะเป็นหญิงหรือเป็นชายอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ ละบาดีบาดิบาดีบาดชอบได้ก็เป็นได้ทั้งนั้นบรรลุได้ทั้งนั้นนี่คือเรื่องศรัทธาที่เราจะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยศรัทธาในเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะได้ดำเนินการการกระทำที่ถูกต้องคือการละบาป ท, ทำบุญทำละจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ แล้วจิตใจของเราก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับต่อไปการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนิมโมทนาให้พรยะธาวาเวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตทินังเตตานังอุปกาปกปติ อิจิตังพัจจิตังตุมหังคิดเมวาสมิชาตุสัตเทปุเรนตุสังกปาจันโทมนาฬสุยถามะนิโชติระสุยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภาวัตว si ha ันตาบายุสุขีธีขาโยโกภาวะภิวาธนศีลิสานิจังวุทาปญายโนจตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังฮาลัง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามในช่วงนี้เลยช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกนั่นคนงจะไม่มีถามหลังใหม่ถ้าไม่อยากจะให้รู้เป็นใครก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ า, ขามาแทนก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระสุชาติ475คน YouTube พระสุชาติไลฟ์338 YouTube ด r V Channel 74 Clubhouse 8วิทยุออนไลน์9ผู้รับฟังหน้ากุฏิ198คนรวมทั้งหมด 1,102 ครับโอเคถ้ามีคำถามอะไรก็เชิญได้เลยอ่ามีความอยากจะถาม พูดใกล้ๆมาเลวเสียงดังๆจะได้ฟั ง, งชัดๆกลับพระอาจารย์นะคะเอะถ้าเกิดหนูพูดอะไรผิดไปหรือไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยนะค ะ, ะเพราะว่าไม่จับติดทุกไม่ต้ <c oughs> องโกงติดทุกข์เรคไม่ติอคือว่าหนูเนี่ยมาที่นี่เป็นวันแรกพี่สาวเขาอยากจะให้หนูมาเจอพระอาจารย์แล้วก็อยากจะให้ทําบุญหนูก็มาจากประเทศเยอรมันค่ะหนูก็จะมีเอ หนูคุยกับพี่สาหนูเพราะว่าส่วนมากก็เป็นเรื่องที่เรามีความทุกข์แล้วพี่เขาก็จะพยายามช่วยเราว่าจะทํำยังไงเราสมควรทํายังไงหรือจะเริ่มต้นยังไงเ อ, อให้เราปรับความทุกข์ของเราได้หรือว่าเข้าใจทางโลกมากขึ้น<ม>หรือว่าละสิ่งใดๆได้เมื่อวานหนูก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่เขาอีกทีน่ะคะ่ะพี่เขาก็เลยเออบอกว่าพี่เขาบอกว่า ถ้าเอา่อถ้าเราไม่ยึดติดยึดมั่นอะไรแล้วแล้วจิตของเราอะ่ะเอ่อก็จะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอะค่ะแล้วหนูก็บอกว่าเพราะเขาเคยถามหนูว่าหนูอยากจะมาเกิดอีกหรือเปล่าหนูก็ตอบไปโดยที่ไม่เคยคุยกับเขาเมื่อก่อนหนูก็บอกว่าหนูไม่อยาก จะเกิดแล้วเพราะว่า เ, เพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีมันมันเหมือนกับเราเกิดมาเราต้องมามีแต่ความทุกข์เยอะอะค่ะเหมือนกับต้องมาชดใช้กรรมอย่างเดียวค่ะจะถามอะไรถามเลยดีไหมจะถามว่าดวงจิตของคนเรานะคะเราจะต้องมาเกิดแบบนี้บ่อยๆหรอคะแล้วถ้าเรามาเกิดแล้วเนี่ยค่ะคือว่า เรามีหน้าที่ชดใช้อย่างเดียวเหรอคะไม่คือมาเกิดเพราะความอยากของเราถ้าเราหยุดความอยากได้ก็ไม่ไมไมต้องมาเกิดส่วนชดใช้ก็อยู่ที่ว่าเราทำอะไรทำบาปก็ต้องชดใช้ไปทำบุญก็ไปรับรางวัลไปแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเกิดมาแล้วเราอยาก ความอยากของเราที่อยากจะแบบว่าไม่มาเกิดแล้วเราอยากจะเอิมได้ผลบุญมันไม่ใช่กิเลสหรอคะไม่ใช่กิเลสความอยากไม่มาเกิดเป็นเป็นการฆ่ากิเลอืมกา่ะนั้นมีความอยากสองอย่างความอยากที่ทำให้เรามาเกิดทำให้เราต้องมาทุกข์นี้เป็นกิเลสความอยากที่หยุดการเกิดหยุดความทุกข์นี้เป็นธรรมเป็นการหลุดพ้นจากความความทุกข์ต่างๆนั ถ้าอยากทําบุญอยากรักษาศีลอยากนั่งสมาธิอยากฟังเทศตั้งธรรมอยากบวชเป็นความอยากที่ดีเป็นความอยากที่จะหยุดความอยากทั้งหมดที่ไม่ดีให้หมดไปจากกันความอยากไม่ดีก็คืออยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีวามสุขทุกวันกับทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เป็นความอยากที่เป็นกิเลสเพราะมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา มีขึ้นมีลงมีได้มีเสียพอเสียก็ทุกขใจเสียใจพอได้ก็ดีใจจิตใจแล้วก็เลยขึ้นขึ้ น, นลงๆระหว่างความดีใจกับทางเสียใจถ้าถ้าไม่อยากจะเสียใจก็อย่าไปอย่าพปอยากกับเสียนัย้นแล้วถ้าเกิดว่าหนูอยากส ง, งบค่ะแต่ว่า สภาวะรอบกายหรือสิ่งแวดล้อมรอบกายอย่างเช่นลูกเป็นต้นเราก็หนูก็ไม่สามารถที่จะทําสมาธิได้หนูสามารถจะทําอะไรอื่นได้ไหมคะเพื่อจะรับสิ่งรอบข้างได้ด้วยแล้วก็ทําให้ตัวเองหลุดพ้นได้ด้วยะคะก็เหมือนเวลาหนูอาบน้ำอะหนูอยากให้เสื้อผ้าปเปลี่ยนก็ไม่เปลีนะ่ยนอะแต่หนูสามารถทิ้งลูงได้เหรอคะไม่หมายถึงว่าไม่ใช่ทิ้งแบบนั้นแต่ว่ากาทิ้งชั่วครขตอนนี้กไ็ไม่ได้อยู่อะคราวตอนนี้ไม่ใช่ไห เวลาไปเที่ยวทิ้งก็ได้เวลาไปปฏิบัติธรรมไปไม่ได้ก็ไปทิ้งเป็นพักๆก่อนเลยค่ะกเขาไว้สามวันห้าวันขอฝากลูกไว้หน่อยขอไปปฏิบัติธรรมหน่อยแต่หนูไม่บาปใช่ไหมคะในในในหน้าที่ของความเป็นแม่ก็เราก็ไม่ได้ละหน้าที่ไม่ใช่เราก็ยังเป็นหน้าเขาอยู่เไม่ใช่เราไม่้ดูแลเขาอยู่ไม่ใช่เขไม่บาปถึงแม้ถ้าละก็ไม่บาปเพียงแต่ไม่ได้บุญงานเอง ถ้าเลี้ยงเขาก็ได้บุญถ้าไม่ได้เลี้ยงเขาก็ไม่ได้บุญแต่ไม่บาปถ้าไปฆ่าเขาเนี่ยไปทุบตีเขานั้นถึงจะบาปการตีลูกบาปใช่ไหมค ะ, ะการตีลูกบาปใช่ไหมคะต้องอยู่ว่าตีเพราะอะไรตีเพราะกิเลสบาปตีเพราะความโกรธเพราะเขาไม่ทําตามใจเรานี่บาปแต่ถ้าทําำ่็สอนเขาลงโทษเขาเพื่อให้เขาเข็ดจํานี่ไม่บาปค่ะแล้วอีกข้อหนึ่งค่ะหนูขอถามว่าเอถ้าเราอยากให้แม่เขา เออทำพูดดีทำดีแต่ว่าบางทีเราอาจจะใช้อารมณ์บ้างอะคะ่ะเป็นบาปไหมคะกิเลสมันกินเลสแล้วถ้าพูดไม่ดีไปด่าแม่ก็บาปแต่ถ้าพูดยังไม่ถึงกับขั้นด่าก็ไม่บาป<ฆ>แต่ก็ไม่ควรพ่อ แ, แม่เราต้องเคารพเสมอต้องพูดด้วยวาจาที่เรียบร้อยสุภาพเพราะแม่มีพระคุณกับเรามาก<ฆ>อย่าไปพูดให้แม่ไม่เสียใจให้แม่เสียใจ ถ้าพูดไม่ได้ก็อย่าไปพูดปล่อยแม่ไปแม่เขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยไปเราเลี้ยงให้แม่มีความสุขอย่าไปเลี้ยงให้แม่มีความทุกข์ด้วยการไปเป็นเจ้ากรรมนายเวรแม่ด้วยการเป็นบังคับแม่ต้องทำนี้แม่ต้องทําอย่างนั้นไม่ได้ไม่ควรเพียงแต่บอกได้ว่าแม่หมอใหาไหวให้ทําอย่างนี้นะแต่ถ้าแม่ไม่ทําก็ต่างใจนะแม่ไม่เป็นไรได้อย่าบังคับแม่ค ทนวันนี้หนูก็มีคำถามแค่เนี้ยค่ะขอพระคุณค่ะหายสงสัยแล้วเนอะหายสงสัยค่ะเราทำได้ไหมต้องลองปฏิบัติดูค่ะียายามไม่ได้แล้วเราจะมีความสุขคำถามจากทาง YouTube ครับ <c oughs> คุณปัญญานุช ตอนนี้คุณพ่อป่วยหนักมีอาการกระสับกระส่ายไม่สุขสบายลูกตั้งใจจะไม่ให้คุณพ่อกินและฉีดยาโมฟีนตามคำแนะนำของทีมแพทย์เพราะเกรงว่าคุณพ่อท่านจะเสียชีวิตจากยาโมฟีนอันนี้เป็นการที่ลูกคิดถูกต้องไหมครับก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ตัวพ่อเขาว่าเขาเนี่ยตัดสินใจอะไรได้ไหรือเปล่า ถ้าเขาตัดสินใจไนดะ้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเขาเขาจะต้องเป็นคนตัดสินใจเอาเองแต่ถ้าเขาตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ต้องฟังหมอไปทัถ้ถ้าเราไปรักษากับหมอก็ต้องทาตามที่หมอสมั่งคำถามจากคุณศรัทธาอุปจารสมาธิคารวาดสามารถเข้าถึงได้ไหมครับถ้าไม่ใช่พระ แต่ว่ามีแค่ศิลห้าหรือไม่ก็ศีลแปดถ้าเคยเข้ามาได้ตั้งแต่ชาติก่อนก็เข้าได้ไม่ต้องมีศีลเลยก็เข้าได้แต่ถ้าไม่เคยเข้านี่ยากน้อก็น้อยคนที่จะเข้าถึงได้ร้อยคนนี้มีห้าคนนะ ท, ที่จะเข้าถึงอุปจารสมาธิได้ฉะนั้นไม่ต้องกั ง, งวลอุปจารสมาธิไม่ใช่เป็นทางสู่การดับทุกข์เป็นเป็นทางสู่ ความมีความสามารถพิเศษมีตาที่ผูทิพอะไรทำนองนี้เท่านั้นแต่ไม่สามารถมาใช้ในการดับทุกได้ัไม่จำเป็นไม่ต้องกังวลเราปฏิบัติเพื่อการดับทุกเราไม่ต้องไปถึงอุปจารสมาธิเราให้ไปแค่อุปอปนาสมาธิก็พอคำถามต่อไปจากคุณสุบินขอความเมตตาให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องพระสงฆ์สี่คู่แต่จาพวกครับ พระสงฆ์สีคู่ก็คือพระอริยสี่สี่คู่ไงพระอริยนี่มีสี่อยู่สี่ชั้นสี่ระดับด้วยกันคนที่จะบรรลุถึงขั้นต่างๆก็คนเดียวนี่แหละพระสงฆ์คนเดียวเช่นเราปฏิบัติไปเราก็จะขึ้นสู่คู่แรกคือโสดาบันคู่ที่สองก็คือสกิรดาคามีคู่ที่สามก็คืออนนาคามีคู่ที่สี่ก็คืออรหันต์คำว่าคู่ก็หมายถึงมรรคกับผล ตอนที่เราจะเป็นโสดาบันได้เราต้องเจริญมรรคคือเราต้องขึ้นบันไดขึ้นไปสู่ความเป็นโสดาบันไม่ใช่อยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาเลยเหมือนเราเรียนหนังสือการที่เราจะจบปริญญาตรีนี้เราก็ต้องเรียนสี่ปีระหว่างที่เรียนสี่ปีนี้เรียกว่ามรรคกำลังเจริญกำลังเดินทางสู่ผลคือการจบปริญญาการปฏิบัติก็เหมือนการปฏิบัติมรรคเพื่อให้ได้เป็นพระโสดาบัน ปฏิบัติมรรคเพื่อให้เป็นพระสกิรดาคาก็เลยเป็นสี่คู่ท่านเองแต่ความหมายก็คือสี่ขั้นระดับทำสี่ขั้นด้วยกันเหมือนก็เป็นเป็นคนคนเดียวกันแต่ขั้นขึ้นไปแต่ละขั้นตอนนี้อยู่ขั้นไหนขั้นแรกก็เยต้องอยู่ขั้นโสดามโสดามมรรคก่อนพอโสดามมรรคไปทักพักเดยกก็ได้โสดาผลพอได้โสดาผลแล้วก็ขึ้นไปสู่สกิรดาคามรรคต่อไปแล้วก็ขึ้นไปสู่ผลมรรคผลมันเป็นเหตุเป็นผลที่ตามมา เลยมีสี่คู่ด้วยกันมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งพอถึงขั้นสูงสุดก็คือขั้นอรหัตผลก็จะได้พระนิพพานไปด้วยพระอรหันต์รออยู่ที่อรหาหัตผลคำถามต่อไปจากคุณอุสนาหลังจากที่ท่านพระอาจารย์เทศจบและให้พรขณะให้พร น, นั้นเราควรมีสติที่พรหรืออธิษฐานครับเพราะเหมือนกับเป็นช่วงเวลา กุศลที่ขอให้บุญช่วยหนุนนำํำอ่อไม่ไม่ใช่เป็นเวลาทิฏฐานเวลาทิฏฐานต้องเวลาที่เราว่างไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรไม่ต้องฟังไม่ต้องทําอะไรเวลารับพรก็รับไปเท่านั้นเองรับพรก็เหมือน ก, กับฟังเทศฟังธรรมต่อยังฟังเทศยังไม่จบจบเทศแล้วยังต้องมีการให้พรต่ออืพอให้พรเสร็จแล้วค่อยมาอุทิศ่าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เกิดขึ้นในวันนี้ ให้กับท่านนั้นทํานี้ที่ร่วงรับไปแล้วก็ทำได้ในตอนนั้นทีคำถามต่อไปจากคุณคณิ t ฐาปกติสวดมนต์นั่งสมาธิทุกคืนแต่ด้วยการที่ทำงานเลิกดึกก็ทำให้ได้ทำครั้งละประมาณสิบถึงสิบห้านาทีทำมาห้าถึงหกปีแล้วครับมีครั้งหนึ่งนั่งมองภาพพระพุทธเจ้าอยู่ น้ำตาก็ไหลหรือไม่ตอนที่ไปกราบพระธาตุพนมน้ําตาก็ไหลอยู่อันนี้ถือว่าเป็นการก้าวหน้าหรือไม่อย่างไดครับจะว่าก้าวหน้ามันก็ไม่น่าจะก้าวเพราะว่าดูหนังทีละสองชั่วโมงดูได้นั่งสมาธิแค่สิบนาทีก็แทบเป็นแทบตายแล้วถ้านั่งถ้าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะก้าวหน้าจะเริ่มต้นที่10นาทีแล้วตามด้วย20สิบตามด้วย30สิบอย่างนี้ถึงเรียกว่าก้าวหน้า ถ้าอีถ้าห้าปีก็ยังสิบนาทีอยู่มันไปก้าวตรงไหนหมดแล้วเลยโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมอ่าเข้ามาขอไมห้หน่อยคนเก่าหรอเปล่ากออีกครับหนูขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์ค่ะ นื่งจากหนูนั่งสมาธิไม่สามารถเข้าสมาธิได้ดีค่ะแต่บางครั้งมาฟังพระอาจารย์เทศสามารถเข้าสมาธิได้รู้สึกสงบสบายเดีเจะขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องเข้ามาขอขอปฏิบัติใช่ทางวัดก็มีที่พักให้พักยาข้างละเจ็ดคืน ที่สํนนนานักงานติดต่อจองที่พักได้นุ่งขาว <Yeah. S 1> ขมขาวเป็นตามถ้าเป็นอีกแบบนึงได้เอ่อหนูหนูห น, ห น, หนูสมควรที่จะมาปฏิบัติได้หรืออย่างเจ้าคะที่ใส่พระถุงสีดาําค่ะอ๋อก็ต้องดูก่อนว่าหนูทําได้หรือเปล่าตามกฎกติกาเขาได้หรือเปล่าต้องถามคนที่สํนนนานักงานอยู่อืมคือมันจะปฏิบัติไม่เหมือนกันอันนี้คให้ปิดวิเวกให้จํานวนบัญชีไม่ให้เกี่ยวข้องกับใครให้อยู่คนเดียวถั้งตัวเองอยู่ที่กุฏิ ไม่ออกมาศาลาไม่ออกมากินข้าวข้างนอกให้สั่งอาหารให้เข้าไปส่งเที่กุฏิให้ปฏิบัติไป เ, เลยเห<ข>มือนติดคุกเจ้าค่ะถ้าติดคุกได้ทํานี้ได้ก็อยู่ได้หนูต้องขออนุ ญ, ญาตพระอาจารย์ใช่ไหมเจ้าค่ ะ, ะก็บอกเขาว่ามันได้มาคุยกับเแล้วคุยกับคนที่สันนักระเขาก็เป็นผู้จัดการที่อักให้อยู่กี่วันเจ้าค่ะก็เบื้องต้นก็เอาแค่เจ็ดวันก่อนเท่านั้นอ๋อเจ้าค่ะ ้อยู่ไดกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะคําถามต่อไปจากคุณวรรธนาเส้นทางการพ้นทุกข์ต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็ปฏิบัติทานสีนภาวนาทําบุญทําทานเอาเงินทองที่ไปซื้อความทุกข์ไปซื้อความสุขเอาเงินทองไปเที่ยวนี่เท่ากับไปซื้อความทุกข์พอเที่ยวแล้วมันติดพอไม่ได้เที่ยวมันก็จะทุกข์ เงินยางเงินทองไปซื้อความทุกข์เอาเงินทองไปซื้อความสุขด้วยการทําบุญทําบุญแล้วไม่ทุกข์เวลาเราทําบุญให้ให้ข้าวให้ของให้เงินให้ทองไปแล้วเรามีความสุขเวลาเราไม่ได้ทําเราก็จะไม่ได้ทุกข์ก็ไม่ทุกข์นี่คือให้ทําทานแล้วก็รักษาศีลการรักษาศีลก็จะทําให้เราไม่ทุกข์ถ้าเราทําบาปแล้วเราจะทุกข์ใจแล้วก็มาภาวนาทําใจให้สงบ พอใจสงบเราก็จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเราได้หมดสิ้นไปทำถามต่อไปจากคุณสมบัติพระโสดาบันต้องมีอารมณ์ใจแบบไหนครับมีอะไรคแบบไหนเนะี่ยอารมณ์ใจแบบไหนครับอรของพระโสดาบันครับเอท่านก็ไม่ยึดติดกับร่างกายไม่กลัวร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะท่านรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวท่านท่านเป็นใจร่างกายเป็น ร่างกายเป็นเป็นเบาเป็นคนใช้ครับ น, นั่นก็ดูแลไปตามตามอาการอยู่ได้ก็อยู่ตายอยู่ไม่ได้ก็ตายแต่ใจไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายคําถามจากคุณสุภวดีซีดีธรรมะที่เสียและเปิดไม่ออกแล้วเราจะทําลายอย่างไรให้มีความเหมาะสมครับก็ทุบทิ้งไปเลยทุบทิ้งสุ เราทุบทิงแล้วก็ไม่มีรู้ว่าเป็นอะไรนะไปเปิดก็ไม่ได้ไม่อะไรก็ไม่ได้หมดแล้วเอโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็แค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิพิพจออารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด